วันนี้จะได้ไดไดาการธรมะสืบ อ, ง ห, ง, หขขอ ง, งหลายสังเรื่องธรรมพระเจ้าเจ้าพวกเราทั้งหลายตุ่งเตีนพุทธศาสน์จะไม่เสพด้สลับญาต่างกันมาบางคนก็ังมากบางคนก็ปังน้อยธระธรร ม, มต่างสอนของพระ้เจ้ า, น, จานั้น เป็นของสัำคัญอย่างยิ่ที่พวกเราทุกคนจะไม่ควรละทิงเพราะธรรมะเป็นของมีเหตุผลทำบุคคลผู้ประิตปฏิบัติให้รับทางสุขทางเจริญธรรมะที่ท่านสอนโดยส่วนใหญ่เรื่องผู้ที่มุ่งหวังตั้งจใจจะปฏิบัติคนเพื่อข้ามพ้นไปจากทุกข์ปัญหา มีมากมากตายกองพวกเราในฐานะที่จะจดจำหรือศึกษาให้ัวถึงได้แต่ทิ้งอย่างไรจะดีทำคำสั่งสอนของพระพุทเจ้าเราชอบบาทใดบทใดที่แบบใดจะนำพาใจใจของเราให้ได้รับความสุขความเจริญด้วยการปฏิบัติธรรมะบทองนั้นเพือให้พากันยึดถือเอาไว้ ตั้งหน้าตั้งตาต่เพื่อใจต่อเพืใจของตนให้ถูกต้องตามทำคำสั่งสอนของเราเพราะได้รับสาระประโยชน์ตามการถีอเราประเพืปฏิบัติเดืนนั้นทำคำสั่งสอนของพระพทเจ้ายื้องยื้งคที่มาเป็นต่อปัจจุบันทุวันนี้ถ้าหากทำสั่งสอนเป็นโมฆะไประเพืปฏิบัติไปไม่ได้รับสาระประโยชน์ไม่เป็นผล แต่บุคคลประเพื่อปฏิบัติแล้วทำธรรมต่างสอนอย่างนั้นก็จะล่มโสมหรือเสียหายไปนานแล้วอันนี้ธรรมธรรมสั่งสอนของพระพุทธเจ้ายังคงเส้นคงวางแตมอต้นเสมื่อปลายม่ได้ผิดหายไปตามตามตา ม, ตามเวลาเกิดนั้นธรรมของพระพุทธเจ้าเ่านเชิงกล่าว่าเป็นอัตตาลิโผล่คือเป็นของในเลือดตามในเลือดสมัยพระพุทธเจ้าจะทรง ละสนอยู่หรือจะสรินิพพานใส่คำคาสั่งสอนนั้นยังคงที่ดีงานอยู่เกิดที่คงที่ดีงานอยู่นั่นเองจึงมีผู้เชื่อผู้เรียนใสผู้พอใจเปฏิบัติตามคาคําสั่งสอนของข้าพุทธผู้ใดตั้งใจปฏิบัติจริงจังจะเกิดกสัรค์คิดิโตคือความรู้ความเห็นเป็นขึ้นในตัวของตัวเองม่ต้องไปสืบถาม บุคคลผู้อื่นว่าทะเป็นอย่างไรทำคำต่าอนของพระพุทธเจ้าทางแหกผู้ประปฏิบัติจริงจังยอมรู้ยอมเห็นไปจับในตนของตนอย่างนั้นผู้ที่เห็นทำรู้ทำเข้าใจทำด้วยการปฏิบัติของตนแต่ความเต่าเราในใจปฏิบัติทำจิตใจของเรางัวเมาเต่าสันไปตามสัญญาอารมณ์อื่นๆคอยใจเชื่อว่า สินั้นจะให้ความสุขแก่เราสิ่งนี้จะให้ความสุขแก่เราเพื่อเปลี่ยนหรือติดตามไปในเรื่องอืออ่นๆส่วนถึงก็ว่าไม่มองถึงธรรมะเลยแต่สมบัติทัศถานหรือสิ่งที่เราต้องการอารมณ์ทั้ญญาใ น, นั้นเมื่อได้มาจับตายหายหนาจะให้ความสุขตามความต้องการของเราควาหาไม่ปรับเป็นทุกข์เขาจิตเข่ า, ขาใจเราขึ้นทวีคูณอย่างนั้นก็มี เ ร, เรื่องธรรมของพระพุทธเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นบุคคลผู้ใดตั้งหน้าตัางาต้งตาปฏิบัติกันจริงจังแล้วชอบได้รับผลรับประโยชน์รับความสุขถึงจะทุกข์ด้วยอาหารการกบขันการอยู่กินที่อยู่ที่อาศัยหรือเครื่งองใช้สอยต่างๆก็ต่า ง, ตา ง, ตางแต่จิดใจของท่านเหล่านั้นมีความสว่างสวัสวยมีความสงบเยือกเย็นใจ ไปจากธาตุเกณฑ์ในตัวของขันเถิดนั้นฉันจึงไม่ขีดเรื่องอาหารการขบขันหรือที่อยู่ที่อาศัยเป็นของสำคัญยิ่งกว่าการสะดวกสบายในการต่อพื่อปฏิบัติที่ใดเป็นไปเถอะตามแต่งดสงบมีเวลาเทียงพอมีเวลาเป็นของข้างตัวทฉันย่อมอยู่ฉันย่อมอาศัยในสถานที่นั้นเพราะธรรมะท่าหากว่าสถานที่ใด ทุกทีตีโมงไม่มีความสงบเยือกเย็นเป็นที่ทุก่านของไต่สุมชนผู้ประพฤติปฏิบัติก็ผัดข้อไม่สะดวกสบายทางการประพฏิบัติของท่านเดือนนั้นชาวพุทธเจ้าจึ่งเป็นพระบรมครูท่านจึงแนะสอนให้ผููตัางหน้าต่างตาเพื่อจะออกจากวัตสตงสารมุ่งหน้ามุ่งตาหาสถานที่เรียกว่าเสนาสะนะสายะ เพื่อชื่สบายของจิตของใจของเราทนนี่นั้นถ้าหากเราไม่ประพฤติปฏิบัติทางธรรมเราจะรู้ไม่ได้ว่าสถานที่ดใด เ, แบบเป็นสัตวายะแก่เราแบบแผนตำราท่านบอกว่าเป็นสถานที่สัายะแต่เราเองไม่ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติสถานที่ก็เลยไม่เป็นสัายะให้แก่เราเข้าไปอยู่ป่าอยู่เขาแทนที่จิตใจของเราใจเงียบสงบบ่ปรุงแต่งจิตถึง บ้านช่องหรือสิ่งของต่างๆเป็นไปอย่างนั้นสถานที่สงบแต่จิตใจของเราไม่สงบเหตุที่จิตใจของเราไม่สงบเพราะเสียดใดเพราะเราไม่ตั้งใจรักษาจิตของเรารู้ว่ามันปรุงมันแตกมันเล็กมันคิดไปสู่อารมณ์อันอื่นก็ไม่ได้ห้ามไม่ได้ตั้นเอาไว้ปล่อยใจให้ไปตั้งความกับสัญญาอารมณ์ซึ่งเป็นข้าศึกแก่ทำครามจริงเกิดขึ้นไม่ได้ผู้ได้ตั้งใจแต่เพื่อปฏิบัติจริงจัง เคยนั่งหรือเคยเดินให้จิตใจทองตนสงบระงรับได้รับความสุขความสบายสว่างสวยัยพอใจทองตนสงบเยือกเย็นอย่างนั้นไปแต่ฐ า, ทานที่นั้นนั้นจะ ท, ำำทําบําเพ็ญตามศรัทธาความสามารถทองตนอย่างที่เคยำำเแต่ทําบําเพ็ญมาแต่จิตใจที่เคยรักษาหรือเคยสงบระงรับกลับฟุ่งซ่านกลับไม่สงบระับ จับขับเขาไปเสียสถานที่เส่นนั้นท่านกล่าวว่าเป็นอสตายะไม่เป็นสตายะขึ้นไม่เป็นที่สบายคล่องใจแต่สถานที่ใดเราเช้สงบสงบัดเราไปอยู่ประเภทปฏิบัติจะนั่งภาวนาข่อตามเดินจงกรมก่อตามสถานที่นั้นพอเรานั่งลงไปกําหนดใจเท่านั้นจิตใจก็มดิ่งลงสู่ความสงบหรือเดินจงกรมก็ ม, มีปัญญาำะสำระสานที่เล คิดอะไรเป็นธรรมเป็นยินัยคิดอะไรเป็นเรื่องจำกัดที่เหลือทางนั้นความไม่เคยตรงเคยรวมกลงรวมไปคามไม่เคยสว่างสวายกลสว่างสวายขึ้นคามไม่เคยสงบเยือกเย็นก็เปิดเห็นขึ้นในการต่อทื้นปฏิบัติของตนองค์สมเด็จพระสัพพลสัมมาจัมพุทไทเจ้าของเราเรียกสถานที่อขึ้นเช่นนั้นแหละว่าสบายยั่งเชื่อเป็นที่สบายของกายของจิตเราผู้ที่เข้าถึงความสงบระ ง, งับ เข้าถึงความสว่างสวยเข้าถึ ง, งจิตใจที่เยียกเย็นอย่างนั้นเกิดจักราภาษ า, าเื้อมั่นในธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้ากว่าธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ปรินิพานนานไปตั่งสองพห้ารอกว่าปีขนาดนี้คุณ ง, งามทวามดีนิธรรมที่ท่านแมสอนเอาไว้ยังมีอยู่ในโลกในขาดศูนย์จิตหายไปใสถ า, านสี่ใดเกิดนั่นซึ่ง ท่านจึงเชื่อจึงเดือมใสจึยินดีประพฤติปฏิบัติตา ม, า ม, ามตาคำคำสั่สอนของพระพุทธเจ้าโดยในนี้ผู้บังคับบัญชาไม่มีรางวัลหรือตะเกียงให้ทำแต่ท่านก็มีใจเลือมใสยินดีถึงโอกาสถึงเวลาท่านก็ทำกันอย่างจริงอย่างจังเพราะจิตใจของท่านเชื่อมั่นว่าการทานทขนาดนี้ แต่รับผลรับประโยชน์คือความสุขของใจขนาดนี้ถ้าเราทำจรงจริงจริงจริงจังจังจิตใจของเราพ้นไปจากที่เด็ดปัญหาพ้นไปจากรัตตะทั้งหมดเราจะได้รับความสุขความสบายขนาดไห น, นใจิตใจเชื่อมั่นอย่างนั้นท่านจึงไม่มีการถอดถอนไม่มีการละหลวมในการปฏิบัติปฏิบัติของท่า น, นเหตุนั้นพวกเราเหล่าพุทธศาสาศนิกคน ซึ่งพ้อมหน้ากันมาฝ่าฟืปฏิบัติทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจา้ามาจากที่ไฟแสงไฟลควลามเชื่อความเลื่อมใสความยินดีที่อยากจะมาสั่งหน้าสั่งตาประพฤ้ปฏิบัติภาวนาอบรมตายจิตของคนให้ได้รับผลคือความสุขความสบายเมื่อเรามาแล้วก็อย่ายลืมเรื่อง จิตของเราเบ่งสนจิตคิดว่าจะมาฝึกผลภาวนาใครตั้งหน้าตั้งตาต่อทิศปฏิบัติตามคำคํ า, า, าั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่าเข้าใจใช่ไว่าเรามาถึงที่ส ง, งบเยือกเย็นแล้วจิตใจของเราปล่อยจะเข็นจะไปเองแต่ถานที่ก็เป็นของสัมพันธ์แต่ชัวสัาพันธ์ที่สุดก็คือ ต, ตัวของเราเองจะตอกต่อทิศปฏิบัติเพราะหน้าที่การงาน หรืออะไรต่างๆซึ่งเป็นเครื่อง ย, งยุ่งแยงขัดขอ้องต่อตัวของเราไม่มีเรื่องความสงบสงัดภายนอกพอสงบสงัดพอที่จะประพฤติปฏิบัติได้แต่เรื่องที่เหลศภายในถ้าหากเราไม่มีสจิตกำหนดใจจะไม่รู้ว่าจิตของเราเย่งนี้ปรุงไปสูงหน้าที่อะไรปูกต้องตามธรรมธรรมสสอนหรือไม่ถ้าเราไม่รู้จักทางออกของจิต ซึ่งไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์สัญญาต่างๆเราก็ไม่มีทางที่จะรักษาให้จิตของเราเข้ามาสู่พานสงบรางับได้เกือนนั้นทุกท่านทุกคนที่สนใจในทางส่อิปปฏิบัติจงอุตสาห์พยายามกำหนดจิตของตนว่าอย่างนี้เราที่จะรณานะทำอะไรหรือจิตใจเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรเมื่อรู้เมื่อเข้าใจแบ มันออกไปส่วนนอกซึ่งเป็นทางเสียหายนำความเสียหายมาให้แก่ตายแ่ใจของสนรือแนะอนจิตส่วนนั้นให้วก บ, บนเข้ามาสู่ภายในคือให้รู้เรื่องของเราว่าเดีย๋ยวนี้เรานั่งไม่มีธุรหนาที่อะไรเราตั้งใจทําความสงบเราตั้งใจดูจิตของตนว่ามันจะปรุงใจแต่งอะไร เมื่อเรามีสติกำหนดรู้อยู่อย่างนั้นจิตใจชจะปรงแต่งอะไรกันไปรู้จักทั่วไปสิ่งใดที่มันไม่ดีเราก็มีหน้าที่จะกำจัดมันนี้หรือห้ามเอาไว้สิ่งใดที่มันจะมีผลมีตําไรเกินไปเพื่อความสงบสุขเราก็รักษาความปรุงคิดหรือจิตชนิดนั้นไว้ในตัวของเราเมื่อเรากำจัดส่วนชั่ว แล้วบำเพ็ญส่วนดีให้ทวีคูณขึ้นอย่างนี้จิตใจของเราก็จะมีกาลังมีความดีทวีคูณขึ้นแตาความดีคือทำคํามต่างสอนทวีคูณขึ้นมากเท่าไ ร, รีิเลศชายในใจสึงเป็นส่วนตรงกันข้ามกอนับวรนนับเวลาที่จะดับหรือหายหน้าหายตาไปเหมือนกันกับน้ํากับไฟธรรมดาน้ําเป็นข้าศึก ข, ของไฟข่านน้ํามาก ไฟก็ไม่มีโอกาสที่จะสว่างสวัยลทธที่จะตั้งอยู่ได้จะต้องดับไฟหายไปถ้าไฟมากนะน้ำมีฤทธิ์หน่อยเทธิน้อยไปดับไฟไฟก็จะต้องเขานะ้าให้เป็นไอหายเหยียดหายไปดับไม่ได้สันใดจิตใจของพวกเราทั้งหลายถ้าหาว่าอิเลสมันมากคาคําั่าางสอนเราได้ศึกษามาน้อยหรือเราได้เรียนมาน้อยหรือเราได้ตัวชี้ปฏิบัติน้อย ก็ไม่ค่อยจะเห็นผลเห็นประโยชน์จากการประพฤตปฏิบัติถ้าหากเราตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติทำทุกวันทุกเวลาจิตใจของเราต้างหน้าไปสู่ความสงบสุขทุกอุยาบทจิเลตไม่มีโอกาสไม่มีเวลาที่จะโผล่หน้าโข้ามาสู่จิตของเราได้ด้วยอํานาจทำที่เราปร่อพฤติปฏิบัติกำจัดเรื่องจิเลตตั้นขยเหมือนน้ําที่ดับไฟให้เหยียดหายไป ไม่มีการที่จัดตั้งอยู่ได้ชั้นใกดก็ดีจิตใจของพวกพวกเราท่านทั้งหลายที่อุตสาห์พยายามมาศึกษาตั้งหน้าตั้งตาภาวนาก็ให้พาจังระมัดระวังสังมรส่วนทั่วอย่าให้มันใช้ครัวพันหรือปรุงแต่งในจิตในใจของตนําจัดออกไปจากกายจากใจของตนส่วนความดีซึ่งเรียกว่าศีลบาตรทำทำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า พยายามแสอนจิตใจท่องตนให้ฝึกฝนอบรมถึงยากลําบากผลประโยชน์ก็มีมากตามตามสาธิตปฏิบัติท่องตนเศษนั้นขอท่านทุกคนจงอุตสาห์พยายามฝึกจิตอบรมใจท่องตนจนเชื่อมั่นและเห็นผลจากการสาธิตปฏิบัติท่องตน้วยตนเองที่ใจเชื่อพระพู้ใช้กล้าเชื่อ สาวว่าของญภูติเจา้าหรือเชื่อครูบาอาจารย์ที่ท่านนาพาศาสนามาจนกระทั่งทุกวันนี้เพราะคุณงามความดีที่ท่านเห็นบันดวงอยู่ในใจของท่านนั่นเองท่านจึงเชื่อมั่นอํานาจของคำที่ท่านต่อไปปฏิบัติมีคุณค่าราคาขนาดไหนใจของท่านเชื่อมั่นโลกกทั่วไปที่เขานิยมชมชอบว่าเป็นดีดีเสิดอย่างนั้นอย่างนี้ ท่านจะมาเทียบกับคำคำสั่สอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านรู้ท่านเห็นท่านเป็นท่านไปในข่อปฏิบัติของท่านท่านเชื่อมั่นทีเดียวว่าทามถูกของโลกที่ผ่านมาด้วยการไดเห็นผ่านมาด้วยการใดยินผานมาทางลิ้นทางจมูกหรือทางกายทางใจอะไรผั่วไปทามถูกส่วนนั้นเพียงเล็กน้อยนิดหน่อย ไม่เป็นของหน้าอาัศจรรย์ส่วนความสุขของทำทำสั่งสอนคือเราต่างหน้าต่างตาประเพื่อจะปฏิบัติเพียงจะจิตสงบสงัดลงรวมเท่านั้นก็จะเกิดอาศัรรย์ยิ่งกว่าสมบัติทั่วไปในใจโล ก, กะท่าเกิดนั้นท่านผูกกว่าเพื่อจปฏิบัติท่านจึงเชื่อมัน่นและยินดีมีศรัทธาไม่มีการ คอยหลังในกาปรปฏิบัติจิตบัตรตั้งหน้าตั้งตาอุตสาห์จะทำบำเพ็ญเพื่อจะรู้จะเห็นสิ่งที่คนจังไมยรู้ไม่เห็นเพื่อจะให้จิตใจของตนหลุดพ้นไปจากที่เหลือตัณหาอยทุกวั น, ท, วนทุกเวลาถึงข่านผู้ที่ปฏิบัติจนหลุดลอยออกไปจากที่เหลือตัณหาไม่มีอาสวะใดๆเข้าเกี่ยวข้องกับจิตจับใจของท่านท่านก็ยิ่งรักษา ขอวัดปฏิบัติของท่านยิ่งหาสถ า, านที่ที่จะอยู่เป็นสุขในพิษีธรรมของท่านอีกเหมือนกันเพื่อนั้นพระพุทธเจ้ า, าของเราพระองค์จึงอยู่ตามเทนาสนะาตะกโดยส่วนมากไม่อยากจะเข้าไปทุกที่ในสถ า, านที่ชุมนุมชนถึงพระองค์สร้างพระบารมีมาเพื่อประโยชน์แก่มนุษย์ชนทั่วไปก่อตัแต่คั้ง ทุกที่ท่านในท่อดูมัมากท่านดูโดยความงสงบสงัดไม่มีเสียงอะไรรบกวนต่างท่านต่างคนต่า ง, างทำหน้าที่ของตนด้วยความเป็นธรรมถึงมากก็ได้ชื่อว่าสงบสะดวกสบายท่านก็อยู่ถ้าหาอยู่มากแต่วุ่นวายขัดข้องท่านในอยู่พระ้ใท้เจ้าเป็นแบบฉบับสําคัญที่พวกเราท่านทุกคนจะถือเป็น เนติแบบแข็งสาธุดปฏิบัติตามท่านตามถือเพีปฏิบัติถึงท่านสาธุดปฏิบัติเป็นแบบแผนมาตั้งแต่เสด็จออกทรงขนูตส่วนการช่างสรินิไพรานท่านหาสถานที่หรือท่านพยายามข่มะาใยของพระองค์ใส่ยินดีในความอย่างไรพวกเราที่ ศ, ศึกษาตาม สำหรับตำราตพวผรู้ ว, รรว่าพระองค์เป็นผู้สืบเดี่ยวอาจหารขนาดไห น, นทั้งๆที่พระองค์เป็นแต่สัตว์แต่ก็ไปไปฏิบัติตามบ้านป่าท้าดงเขาให้ทานอาหารการฉันอะไรพระองค์ก็ทรงเสวยไปตามธรรมชาติคนขอทานคมที่เหลียตัญหาที่เคยมีในจิตในใจว่าตนเป็นกต่สัตว์ได้เขากินอะไรพระองค์ก็สวยได้ ถาหาสิ่งนั้นไม่เป็นชเป็นใจไม่เป็นธาตุแต่กายของท่า น, นท่านพื้นเอาไายนี้เหมือนกันกับเรืออาศัยข้ามน้ำข้ามฝั่งเท่านั้นสิ่งใดที่เป็นปจัจจัยเพอที่จะให้ร่างกายของท่านเป็นอยู่ได้ท่านก่อยใช้ก่อยกินไปตามสภาพของท่านท่านไม่ได้เลือกชีพวกบนไปหาอาหารกาน ขบฉันอยู่ในราชวังเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ท่านไม่ได้นึนไปเดือนั้นท่านจึงซึมอยู่ป่าตามสะดวกสบายได้ท่านเน้นสอนเทวทุตทั้งหลายในสมัยพุทธกาลทีได้กัมเรศพระโสดาสกีทายาณาคาหันโดยส่วนใหญ่ท่านก็สอนในป่าเพราะป่าเป็นที่สงบสงบเพราะป่าเป็นสถานที่จะต้องปขอพิติปฏิบัติได้สะดวกสบายทางตายก็ไม่พลุกเข้ากับ เรื่องมนุษย์คนทางใจก็ไม่มีเรื่องอะไรยั่วยุหนักแน่โอกาสเวลาที่จะภาวนากำจัดวิเลตันหาหรือทำบาลณีคือคุณงามความดีให้ามีคูณขึ้นมีมากมายตายก่กองเพียงพอบริบูรณ์เพศนั้นท่านจึงแนะนผู้ที่อยู่ฝ่าอยู่เขา ต่างหน้าต่างตาประพฤติปฏิบัติตัวของท่านก็ประพฤติปฏิบัติเป็นแบบฉบับเยี่ยมอย่างของมนุษย์ทั่วไปเหตนนั้นพระพุทธเจ้าของเราจึงเป็นแบบฉบับที่ดีเมื่อเวลาท่านตัดรู้ก็บตัดรู้อยู่ป่าสแสดงไปสมมาเทศนาก็สแสดงอยู่ป่าเมื่อป ร, ริวิธานการสุดท้ายของท่านก็เหมือนกันท่านป ร, ริวิธานในร่มไม้ไม่ได้ป ร, ริวิธานในป่าสาราสว่งอะไรแต่เท่าว่า การปริเนปทานของท่านจะเป็นที่ประทับใจของพวกเราที่ห่วงใยอะไรในสถานที่บ้านช่องหรือเต่าของต่างๆความจริงสิ่งต่างๆในโลกอันนี้ถ้าหากมีทาไปจําใจแล้วเป็นสิ่งที่อาศัยส่วการส่วเวลาเท่านั้นไม่เป็นของสําคัญอะไรหนักหนาแต่เวลา ที่จากไปถ้าหาเราได้ชีนิตที่จะเรียนนาว่าสมบัติทั่วไปเป็นของชาไม่ใช่ของเราเมื่อเรามีชีวิตอยู่ก็มีจิทที่จะได้ชาสอยถ้าหาเราจากไปสมบัติทั่วไปไม่ว่าอะไรทั้งหมดจะจับไปเป็นของคนอื่นไปหรือเป็นสมบัติของโลกไปจิตใจของเราพอจะไม่ติดไม่คล้องไม่กลัวไม่ทันไม่เฝ้าไม่ฝันในสมบัติเหล่านั้นเพราะเราได้ชีนิตที่จะเรียนาเห็นประจักษ์ชัดเจนในตัวของเราอย่างนั้น ถ้าหาเราในที่ไม่พิจรารณาเชื่อเลยอะไรตกของเราอะไรกกของเราเข่าของทุกสิ่งทุกอย่างจิตใจค่องจิตใจติดเมื่อจะร้องตายหายตัวจากพบจากชาติไปจิตใจจบไปยากลําบากห่องขัดหรือติดอยู่ในอารมณ์สัญญาที่ว่าของของเราเอย่านั้นเคตัดกายเป็นเปรตเป็นผีเต่าสถานที่หรือเฝ่าสิ่งเต่าของเคยมีในตำรับําราหรือปัจจุบันทันตาโกเคยได้ยิน บ่อยเหมือนกันคือคนมีสมบัติเข่าของเงินทองต่างๆหรือที่สื่อสารไม่แน่ีื่อสะสมเรื่องของชายนอกมากมายก่ฟาาองตายไปเป้เป็นเศษเป็นฝีเคยได้ยินในสถานที่ต่างๆแต่ผูป้ปาเพฤติปฏิบัติเหล่านั้นท่านเคยที่นี่ที่จเจรินาในจิตของท่านว่าสมบัติทั่วไปเรื่องนอกๆเป็นข อ, อ, องที่อาศัยไม่ว่าจะเป็นสมบัติที่เราหามาได้เป็นเข่าของเงินทองหรือบ้านช่องต่างๆ แน่สมบัติคือตาหูจหมูกนิ้มตายของเรานี้พอเป็นสมบัติที่อาศัยส่วนการชั่วสมัยเท่านั้นไม่เป็นของสำคัญหนักหนาอะไรตายแล้วก็จะทิ้งไปปล่อยไปไม่มีบุคคลคนใดจะนำตายอันนี้ไปตู่ภบหน้าได้คุณงามความดีที่จะทำบำเพ็ญเมื่อจิตยังเที่ยวอยู่ในวัดตาสงสารยังไม่พ้นใจจากที่เหลือัญหาเมื่ อ, อไร อำนาจของบุญกรรมที่เราจะ ท, ำำทําบําเพ็ญด้วยกายก็ดีด้ว ย, ายวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีทั้งเหล่านี้จะติดตามตัวของเราไปสู่ภพขั้นหน้านี่ใช่ว่าสมบัติเราที่มีอยู่แล้วเราตายไปแล้วแล้วก็จะส่งเอาสมบัติอันนั้นหอบเขี่ยหรือหาดหามไปร่างกายก็จะร่างกายอันเต่านี้แหละไปเป็นร่างกายขั้นหน้า เอาไปในได้ท้งนั้นเราเคยเห็นกันในสถานที่ทั่วไปคนตายนอกจากเขาจากฝังแล้วก็ไม่เห็นบุคคลผู้ใดหอบเชื่อหรือหาถามร่างกายอันนี้ไปได้แต่จิตที่เกี่ยวข้องในวัาสงสารที่วิเลตันหายังไม่ขาดหมดออกจากใจเมื่อใดจะท่องเที่ยวไปทันทีว่าเยี่ยงจิตเป็นกายสิทธิอันหนึ่งเหมือนกันกับเรานอนหลับแล้วฝันไป ร่างกายของเรานอนอยู่ที่สติหรือนอนที่บ้านที่เรือนของเราแต่เราไปในสถานที่ต่างๆพอยใจว่าเราไปทั้งหมดแต่ความจริงเรานอนอยู่นั้นแหละพอตื่นจากฝันขึ้นมารู้สึกว่าเราอยู่สติหรืออยู่ศาลาหรือรอยู่สถานที่เราทับทาอาศัยแต่ความฝัน น, นั้นไม่เป็นอย่างนั้นไปทั้งตัวทีเดียวเรื่องของจิตออกจากล้างไปก็ทํานองเดียวกันแต่ไปเข้าล้างใหม่ ก็ต้องอาศัยบุญอาศัยกรรมที่ตนทำไว้ถ้าหาทําบุญทํากุศลไว้มากบุญกุศล น, นั้นนั้นถึงเราไม่รู้ไม่เข้าใจว่าเทวโลกเป็นอย่างไรปรมโลกเป็นอย่างไรหรือมนุษย์โลกเป็นอย่างไรอํานาจของบุญกรรมที่เราทํามาจะนําพาตัวขรอบครเราไปสู่สถานจุดหมายปลายทางนด้ตามความมุ่งมากปรารถนาของใจ แต่เท่ากัากรรมชั่วที่เราไม่ต้องการไม่ต้องปรารถนาไม่อยากได้ถ้าหากเราทําลงไปด้วยเจตนาของใจจริงจังแล้วกรรมชั่ว น, นั้นก็เหมือนกันเราไม่ต้องการจะไปแต่ก็ไปได้เหิดใดเพราะกรรมชั่วบังคับบัญชาตัวของเราไปเหมือนกันกันกบคนที่ทํากรรมชั่วปัจจุบันท่านตาเราพอรู้พอเข้าใจกันคนที่ทกากรรมชั่วจะทําโจรกรรมหรือทํา อะไรต่างๆถึ่งทางกฎหมายห้ามไม่ให้ทําแต่เขาไปฝ่าฝืนฝืนทำเขาไม่เชื่อว่าเองทําได้อย่างนี้ถ้าเจ้าหน้าที่มาพบเขาเขาจะจับปุมเองไปกิตารางนะถ้าไม่เชื่อไม่เคยเห็นตารางอยวันนอกบวันานาตารางอยู่ที่ไหนไม่เคยเห็นไม่เชื่อเท่าไรก็าตามไม่อยากไปสักเท่าไรก็าตามแต่เขาทากรรมชั่วอยู่นั้นจะต้องมีวันในดการหนึ่งซึ่งเจ้านหน้าที่มาจับปุ่มคุมตัวไปไม่เคยไปก็จะต้องไหนไปโซ่ มันหนักเท่าไรควรจะต้องเลยแบบดกแดหามสถานที่อยู่ไม่ชอบอกติดใจอย่างไรควรจำเจนจะต้องใดอยู่จะต้องใดรัดความทุกข์ยากลํ า, ลาบากในสถานที่ตนไปโดยที่ไม่ชอบอกสิดใจแต่เทราะกรรมที่ตนทำให้ผลเป็นอย่างนั้นเกิดนั้นกรรมชั่วทั่วไปพระพุทธเจ้าจึงเน้นสอนพวกเราไม่ให้พากันแตทําบำเพกก็ญเพราะกรรมชั่วเหล่านั้นจะ ติดตนตามตัวหรือส่งผลให้ได้รับทุกตายทุกใจในชาติในภพต่อไปหรือปัจจุบันท่านตาขาท่านตามตั่วหนักหนาก็จะได้รับผลตามตัวตามทุกอย่างนั้นผู้ที่ทำกรรมดีก็จะได้รับผลดีอย่างนั้นเพียดนั้นผู้ที่ท่องเที่ยวอยู่ในวัดแต่สตตงสารปรารธนาตามสุขตามสบายปรารธนาไม่อยากมีโรคไข้ไข้เพียปรปารธนาสมบัติพัฒนานบ้านช่องที่ มีความสุขความสบายตระกูลที่ดีวิชา ค, ความรู้หรือสติปัญญาดีก็ให้ให้มันประกอบกรรมดีเอาไว้กรรมดี น, น, นั้นจะส่งผลให้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่ดีเกิดในกองเงินกองทองกองเสาวกองฟองดีดามารดาก็าดีตระกูลก็ดีสมบัติทัศชานอะไรดีทั้งหมดหน้าตาหรือหลางกายทั่วไปกว็วยสดงดงามไม่เป็นคนขี้ฤกษ์ขี้เลร่เพราะ อ, อํานาจกรรมดีตก แ, แต่งให้ อะไรดีขั่วไปถ้าหากมาเกิดเป็นมนุษย์จะเกิเป็นเทพผู้บุญเทพผู้ดดาพอยิ่งวิเศษประเสริฐขึ้นไปเนี่ยกำหนดแต่งให้ใครทั้งหมดปรารถนาอยากจะเป็นคนดีอย่างนั้นเทพที่ไม่ตามความต้องการของตนตามความปรารถนาของตนกวด้วยผลที่นนตนของตนจะทำบำเพ็ญทางชั่วจึ่งเป็นตกทุกข์ได้ยากลาําบากอย่างยิ่งไม่สมปรารถนา ไม่ว่าสมบัติธาตุฌานหรือสติปัญญาไม่ว่าอะไรทั้งหมดร่างกายท้งตนก็เหมือนกันถึงโรคไข้ไข้เจ็บป่วยอด อ, อ, อ, อ, อ, อดแอดแไม่มีเวลาที่จะสบายกับเขาแต่ถ้าว่าทำที่เราเคยทํามาให้ผลอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งวันตายไม่มีวัน ม, มีเวลาที่จะสบายเป็นสุขกับเขาเพราะกรรมท้องตนที่ทําไว้อย่างนั้นมันให้ผลเป็นทุกอย่างนี้เกิดนี้ เราทุกคนที่ต่างหน้าต่างตามาฝึกฝนอบรมจิตใจถ้าหากเราไปมไม่ถึงจุดหมายปลายทางทคือความพนไปจากที่เลีดก็ให้พากันปราพฤติปฏิบั ต, บติทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจาซึ่งเป็นทางบุญทางสู้สนคือจะนำตนของตอนไปสู่ความสุขความเจริญในภพเ บ, บืองหน้าอย่าไปทำบาปกรรมถึงจิชั่วช้าลามกถึงจิตของเราอยากทำก่อเหตุ ห้ามเอาไว้เพราะเมื่อเราทำลงไปจะได้รับผลไม่มีบุคคลผู้ใดจะมาช่วยเหลือเื่อหนุนเราได้ทางหากเราคิดได้อย่างนั้นทำชั่วทั่วไปเราก็จะไม่สามารถจะทำบำเพ็ญเพราะเห็นผลความทุกข์อยู่ข้างหน้าจะเป็นสมบัติของเราตามดีทั่วไปทึ้งตายทึ้งใจไม่อยากทำเราก็ผู้สาวพยายามทำ พราะกรรมยีจะนําผลคือความสุขกายสบายใจมาให้หรือสมบัติที่เราปรารถนาทุกสิ่งทุกส่วนมาให้ตามความมุ่งหวังของตนเหตุนั้นเราทุกคนต้องหมั่นฝึกฝนที่จะได้นาเหตุผลถือพระพุทธเจ้าทรงแนะนําำสอนปลูกเราให้เอาธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาสอนใจอย่าเอากิเลสตัณหาซึ่งเป็นป่ายชั่วมาสอนใจท่องตัว ใจใดพวกชั่วเป็นนิตรจะพกทิดให้ทำศิกไปต่างๆนาน า, นาหากเราทีนี้ิจรารณาตามคำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเอาคาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นนิตรของเราตามชั่วทั่วไปเราจะไม่กล้าจะทําและเราได้ทำดีเป็นนิตรเป็นสหายจะซักชาจิตใจของเราให้ตั้งหน้าต่งางๆบําเพ็ญคุณงามความดีทวีคูณขึ้นไป เมื่อบุคคลผู้ใดอุตสาห์พยายามละชั่วบำเพ็ญดีตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติไปตามธรรมาของพระพุทธเจ้าเลยผู้นั้นจะได้รับความสุขความเจริญในปัจจุบันคันตาโลกหน้าเป็นอย่างไรเข้าใจแจ่มใสในตัวของตัวเพราะเจตุปัจจุบันนี้เองจะไปเกิดไปสู่ภพหน้า ใจจิตของเราเศร้าหมองจิตของเราขุ่นมัวจิตของเรายุ่งเหยิงจิตของเราเป็นทุกขอกพบหน้าชาติหน้าใน่องสงสัยว่าเราจะได้รับพบรับชาติเป็นอย่างไรถ้าจิตของเราบริสุทธิ์ผ่องใสจิตของเราเยือกเย็นพอใจในทางบุญทางกุศลเราก็หายได้เพียงเดียวว่าเราจะต้องไปสู่ความสุขความเจริญในพกต่อไปถ้าจิตใจของเราไม่มีอารมณ์สัญญาอะไรจะไปเกาะเสี่ยว ไม่มีที่เลอตัณหาอะไรไม่มีสังขารชนิดใดที่จะไปปรุงใจให้ติดข้องหรือลุ่มหลงรู้ความบริสุทธิ์ของตัวด้วยการปฏิบัติไม่ใช่ความสงบสันัดไม่ใช่เรื่องรวมๆของใจแต่เป็นใจที่เศษใจปรเสินอกเหนือไปจากการปฏิบัติทั้งหมด คือความสงบสงัดเราเคยได้ทาน ม, มาวิชาความรู้ที่เกิดขึ้นด้วยโลภีที่เกี่ยวข้องกับสังขานเราก็เคยทาน ม, มาแต่ความส ง, งบซึ่งเรียกว่ากันนัตสีสันตําลังสุขขังสุขอะไรในยิ่งไปกว่าความสุขส ง, ง, งบอย่างนั้นส ง, ง, งบอย่างนั้นมันดูอย่างไรท่านผู้ประพฤติปฏิบัติกายใจเมื่อถึงแล้วจะรู้สึกในตัวของท่านไม่มีวันมีเวลา ที่จะมาเกาะเพรกาะชาติอีกได้ท่านเข้าใจชัดเจนเห็นไปจับจะอยู่ในอิริยาบทใดใจชนินั้นหรือจิตชนิดนั้ น, น, น, นไม่มีการทั่วพันดังวลไม่มีการเกี่ยวข้องกับเรื่องของวัตถะถึงจินยามระยะชายนอกที่ท่านช้ตามสมมติขอ ง, งโลกเป็นอย่างไรเรื่องเหล่านี้ท่านก็เข้าใจแข่มแจ้งชัดเจนว่าไม่ใช่เรื่องของความบริสุทธ ความบริสุเป็นอย่างไรท่านเข้าใจในตัวของผันเศษนั้นท่านจึงไม่มีการเขา้าไม่มีการออกไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีการรู้การหลงเป็นของที่เหนือสมมติทั่วไปจิตใจอย่างนั้นบุคคลผู้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤตปฏิบัติภาวนาจริงจังจึงจะอย่างรู้ซึงจะเข้าเห็นจึงจะเป็นสิ่งในตัวของตัวสึ่งนอกเหนือไปจากสมมุติอย่างนั้น ท่านเป็จะมีความสุขทุกการทุกเวลาที่ร่างกายของท่านจะมีโรคภขยไข้เจ็บเบียดเบียนหรืออะไรเบียดเบียนเรื่องของตายแล้วแต่จิตใจชนิดนั้นไม่มีอะไรที่จะไปเบียดเบียนไม่ว่าอารมณ์รัญนยาหรืออะไรสึ่งเรียกว่าที่เหลือกันหาจะเข้าไปถึงได้เป็นจิตใจที่เหนือสมมติ่วไปท่านจะมีความ สะดวกสบายอยู่ทุกการทุกเวลาแม้มีการไปการมาการเข้าการออกจะไปเริ่อยๆเรจะตายในตานใดสมัยใดเรียกว่าท่านไปเริ่อยๆานจะอยู่ป่าอยู่บ้านอยู่กระทัางที่ใดก็ตามเดือนั้นการฝึกใจจึงเป็นของสําคัญที่พวกเราท่านจะต้องตั้งหน้าตั้งตาสอบพิสิทิบัติตายไปแล้วไม่มีโอกาสไม่มีเวลาที่จะประพฤติปฏิบัติเอาได้เวลานี้เป็นโอกาสดีที่พวกเราท่านทั้งหลาย จะต้องขวนฝายพยายามจะ ท, ำำทําบําเพ็ญจิตใจของตนใจเยือกเย็เหยยนหรือสงบสงัดไม่ต้องอ้างการอางเวลาโยนความดีไปไว้ข้างหน้าให้ตั้งหน้าตั้งตาว่าเวลานี้เป็นโอกาสของเราแล้วเป็นหน้าที่ของเราแล้วที่จะต้องตั้งหน้าตั้งตาประบัติปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหากเราไม่สามารถคนทั่วไปในโลกไม่มีใครที่จะสามารเรารักษาท ำ, ำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไได้ คนทั่วไปรักษาในใดในชื่อว่าสมบัติคือทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามอบให้เราคนเดียวจะดูแลรักษาจะต้องตั้งหน้าประพฤติธปฏิบัติเมื่อเราทุกคนหมั่นที่นิจเจรนาและสอนตนอย่างนั้นก็จะพากันได้รับความสุขความเจริญจากการประพฤติปฏิบัติของตนเมื่อพวกท่านพุทธศาสนิกชนได้ระดับรับฟังคําคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างที่อธิบายมานี้จงนําไป โยนิโสมนัสติการที่นี้พิจารณาตรีตองดูเหมือรู้เมื่อพอใจพระเป็นสิ่งที่ดีที่ชอบแล้วจึงนำไปประกอบประพฤติปฏิบัติตามต่อแต่นั้นก็จะมีความสุขความเจิญในอาวาสานการแสดงธรรมนี้ขอบุญญาโนภาตแห่งพระศีรัตนใจและบุญปู่สนทั่วไปจงคุ้มครองรักษาพวกขันทังหลายให้มีความสุขใจ ส, ส, ส, ส, ส, สบา ย, บายใจ หลากนาสิ่งใดขอสิ่งนั้นตรงตั้งเร็จตามความมุ่งมากหลาถนาทุกสิ่งทุกใบการดังรับใบทานพ้าสัจธรรมเจรนามากว่าเห็นว่าสมควรเจรเญลาเยวัง